ปัตธมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ไปรู้เรื่องไกลตัวไม่ว่า จ, จะเป็นโลกสวรรค์หรือว่าโลกหน้าโลกไกลโพ้นเพรที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของกายกับใจนี่แหละและกายกับใจก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราและเพียงแค่เกี่ยวข้องกับกายและ้ใจะให้ถูกนี่มันก็ ช่วยให้กลายจากทุกข์ได้มากทีเดียวคนบางคนไปเข้าใจว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมนี่มันต้องไปเห็นโน่นเห็นนี่แต่ไม่ไเห็นนรกสวรรค์ก็เห็นแสงสีหรือว่าไปรู้ใจคนอื่นอันนั้นมันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเพราะไม่ได้ช่วยพ้นทุกข์ถ้าจะพ้นทุกข์หรือว่าทุกขบรรเทาบาบงก็ต้องมา จัดการกับเรื่องกายกับใจให้ถูกให้เป็นเริ่มตั้งแต่ใช้กายกับใจไปในทางที่ถูกต้องอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะของธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีพระคุณ หรือว่าผู้ที่อยู่ไกลออกไปแม้กระทั่งผู้ที่เป็นคนที่ไม่คุ้นเคยแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูก็ไม่ใช้กายวาจานั้นเพื่อเบียดเบียนทำร้ายแต่เป็นไปในทางที่เกื้อกูล รมทั้งจิตนี่ก็ไม่คิดร้ายไม่แปรผันอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายนะอย่างในโอวาทาปฏิโมกเนี่ยจะมีข้อหนึ่งนะการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายอันนี้ก็เป็นเรื่องของอการใช้วาจาและการกระทาอย่างน้อยๆก็ไม่ไปเบียดเบีย น, น, น, นใครอันที่ดีกว่ า, าคือเออเพอือเกอื้อกูล โดยการแบ่งปันเรียกว่าทานโดยคําพูดเรียกว่าปิยวาจาโดยการกระทำเรียกว่าอัตเจริยาอันนี้เรียกว่าใช้การกระทําและคําพูดเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีงามส่วนใจนี่ก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เรารู้จักกันในชื่อของพรมวิหารสี่ นี่เรียกมรวมว่าเนี่ยใช้กายและใจในทางที่ถูกน้อยน้อยก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าการทําความดีเนี่ยในพุทธศาสนา น, นี่มันก็เป็นเรื่องของการใช้กายและใจเนี่ยเพื่อเกื้อกูลอันนี้ใช้กายและใจเนี่ยมันจะใช้ได้ดีแล้มันต้องรู้จักดูแลด้วย <c oughs> นั่นคือดูแลกายและใจ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการปฏิบัติธรรมนะเราต้องดูแลกายและใจให้ดีในโอวัตถะปฏิโม ท, ทังกพูดนะให้รู้จักประมาณในการบริโภครู้จักความพอดีนะในการเสพในการบริโภคซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่นะของคนในยุคนี้ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรากินมากไปเรากินเพื่อสนองกินเลศแต่สุดท้ายนะมันก็ไปบั่นทอนทั้งกายและใจร่างกายก็เจ็บป่วยเพราะว่าการกินที่ไม่รู้จักประมาณกินเพื่อเอารสชาติเอาความรอร่อยหรือว่าเพราะว่า สีสันมันน่าดึงดูดใจมันยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นโทษนี่มาใส่กายเช่นเหลาบุหรี่ยาเสพติดเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมะเหมือนกันนะธรรมะนี่รูจ้า ก, ก็สอนะให้รู้จักบริโภคในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่ได้ดูแลกายรวมทั้งการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยนอกจากการรู้จักประมาณในการบริโภคแล้วนี่ท่านยังมีท ร, รมะอีกข้อนหนึ่งนะนอนนั่งในที่อันสงัดถ้าที่นอนที่นั่งหรือที่อยู่เราไม่สงัดนะ มันก็สร้างปัญหาบันทอนกายและใจเหมือนกันนะคนเดี๋ยวนี้เนี่ยคิดแต่จะอยู่ในที่ที่สบายแต่ว่ามันไม่สงบสงดถ้าเกิด อ, อะไรขึ้นนะเดี๋ยวนี้ก็นอนไม่หลับเพราะว่ามันมีสิ่งเร้าเยอะรอบตัว แน่ว่ารอบตัวนี่จะไม่มีเสียงดังรบกวนจากภายนอกนะแต่ว่าในห้องนี้มันก็เต็มไปด้วยสิ่งเรานะ้าจากโทรศัพท์มือถือจากโทรทัศนะ์อันนี้ก็เรียกว่าไม่สงบสงัดนะอย่างนี้ก็เล่นเกมกันจนค่ำจนดึกดื่นดูหนังจนบงทีไม่ได้หลับไม่ได้นอน หรือถึงจะนอนก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าสมองแล้วก็ระบบประสาทมันถูกเล้าจนทางานไม่หยุดโอเคมีในสมองก็แปรปรวนจนนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับแล้วคนนี้ก็โรคภัยก็ตามมาเลยโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคความดันโรคหัวใจอย่างนี้มันก็เชื่อมโยงนะกับการที่นอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอ เพราะว่าปล่อยให้สิ่งเราเนี่มันมารบกวนร่างกายเพียงเพื่อตอบสนองความตื่นเต้นของใจหรือเพื่อสนองกิเลสนีก็เรียว่าไม่ดูแล ก, กายแล้วก็มันก็บรรทอนจิตใจด้วยท้ายก็คิดไม่หยุดคิดฟุ้งซ่านคิดในทางลบทางร้ายเพราะว่า ปล่อยให้สิ่งเราในทางลบนี่มันรวมกระนำจิตใจที่ิงถ้าเราดูแลกายและใจนี่มันยังต้องทำมากกว่า น, นั้นด้วยนะนั่นคือการออกกำลังกายเนี่ยมันก็เป็นการดูแลกายอย่างหนึง่งร่างกายเนี่ย มันชอบอยู่นิ่งๆนะจะให้มันขยเื่อนขยำนี่มันไม่ค่อยชอบอเราสังเกตได้จากตัวเราเองอเวลาจะไปไหนนี่ถ้าไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องเดินยิ่งดีหย่อนตัวลงบนรถ หย่อนตัวลงในรถแล้วก็ให้รถมันพาไปธรรมชาติของกายเนี่ยมันไม่ชอบขยืนขยับมันชอบอยู่นิ่งๆแล้วเดี๋ยวนี้ชีวิตที่ช่วคนเราเนี่มันก็เอื้อให้นะนเปรร่างกายในลักษณะนี้ได้สุดท้ายก็เลยนะเป็นโรคนานาชนิดโรคอัวโรคหัควใจ ถ้าเราจะดูแลกายดีเนี่ยมันก็ต้องออกกำลังกายนะให้มีการเคขยิบขยับแทนที่จะนั่งรถก็เดินแทนที่จะขึ้นลิฟต์ก็ขึ้นบันไดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะ้ของการดูแลกายอย่างถูกต้องให้มันได้ขยิบขยับให้มันทํางานไม่ใช่นั่งจุ่มปุ๊กนะอยู่หน้าโทรทัศน์เรียว่า ก้มดูโทรศัพท์หรือว่าอยู่หน้าคอมในส่วนใจเนี่ยนะใจนี่กับกายนี่มันตรงข้ามนะกายเนี่ยมันชอบอยู่นิ่งๆแต่ใจเนี่ยมันชอบท่องเที่ยวนะมันเป็นคุณลักษณะที่ตรงข้ามกันเลยแต่ก็อยู่ด้วยกันนะกายกับใจเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแต่ว่า นิสัยมันไปคนละทางเลยกลายชอบอยู่นิ่งๆไม่เคยเนขยับส่วนใจชอบทะเลทลายแล้วพอทะเลทลายแล้วนะมันก็เหนื่อยล้าหรือยิ่งกว่า น, นั้นนะมันก็ไปเอาทุกข์มามาให้ทะเลทลายท่องเที่ยวไปอยู่กับเรื่องราวในอดีตเรื่องที่ชวนให้โกรธ ชวนให้เสียใจหรือเจ็บปวดไปคุณนคิดอยู่วันวันอันขมขื่นหรือไม่ก็ไปปรุงแต่งกับภาพอนาคตไหลไปอยู่กับอนาคตสร้างภาพขึ้นมาในทางลบทางร้าย ถ้าเราปล่อยใจให้เถลไถลไหลท่องเที่ยวไม่หยุดหย่อนนี่เราก็แย่นะอย่างนน้อยนี่ก็ไม่มีสมาธิทำอะไรที่สมควรทำถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับเพราะว่าใจมันคิดไม่หยุดหรืออย่างนั้นก็กลายเป็นคนเครียดกลายเป็นคนชีวิตกกังวลกลายเป็นคนรุ่มร้อน หรือว่าซึมเศร้าไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นเพราะว่าปล่อยใจให้มันทะเลทรายเที่ยวไปไม่หยุดย่อนเราก็ต้องฝึกนะการดูแลใจนะที่เหมาะสมคือต้องรู้จักฝึกให้เขาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆบ้างหรือว่าอยู่นิ่งๆบ่อยๆเวลาทำอะไรก็ให้ใจอยู่นิ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น เวลาอยู่คนเดียวก็ใจก็นิ่งได้ไม่ฟุง้งซ่านไม่ว้าวุ่นไม่ทุรนทุรายในอณะที่กายเนี่ยเราต้องฝึกให้เขาเคลื่อนขยับจนนะออกเงือส่วนใจนี่ทําตรงข้ามนะฝึกให้เขาอยู่นิ่งๆ น, นิ่งให้เป็นหรือว่าอยู่กับที่นะเช่นอยู่กับกายยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เอากายเป็นบ้าน ใจแทนที่จะกลายเป็นใจที่ไร้บ้านแล้วก็ทะเลทลายถ้าเราไม่ฝึกใจแบบนี้นี่เราก็แย่นะเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ฝึกกายให้ออกกำลังกายหรือขยันขยับเราก็แย่เหมือนกันนะการดูแลกายกับดูแลใจเนี่ยมันจะหมายถึงว่าต้องรู้จักฝึกนะ กายเนี่ยมันไม่ชอบแบกแต่ว่าบางคนเราก็ต้องฝึกให้เขาเนี่ยออกกำลังกายด้วยการแบก้วยการถือของหนักนันนี้ก็มีส่วนช่วยนะกายเนี่ยมันชอบวางนะจะให้ถืออะไรนานๆไม่ชอบอะ่ะแต่การถือมันก็มีส่วนนะในการทำให้ร่างกายแข็งแรงบางคนก็ออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนัก สมัยก่อนมันก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องทำอย่างนั้นนะเพราะว่ามีของหนักให้ยกมีของหนักให้แบกอยู่เป็นประจําแต่เดือนนี้เราปล่อยกายไปตามเรื่องตามราวมากไปหรือว่าปลนเปลอกายมากไปงกายมันไม่อยากแบกของหนักก็ออก็ช่างมันตัวกลายเป็นว่าร่างกายก็ผอมรีบนะกล้ามเนื้อก็รีบ เดี๋ยวนี้ก็ต้องฝึกนะแม้กระทั่งคนแก่นี่ก็ต้องต้องรู้จักยกของหนักด้วยการออกกํำลังกายถือของหนักยกน้ําหนักมีประโยชน์ต่อปอดมีประโยชน์ต่อหัวใจนะอันนี้ก็เป็นการดูแลกายแบบหนึ่งส่วนใจนี่ต้องตรงข้ามนะมันชอบแบกบชอบยึดตะพึ่ตะพือเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นรูปรดกลิ่นเสียงเห็นอะไรก็ยึดเลยนะไม่ว่าติดตาติดหูติดใจนะถ้าไม่ติดใจก็ขัดใจนะี่ขัดใจนี่ก็เป็นการติดขัดแบบหนึ่งนะซึ่งก็เป็นการถือการยึดอีกแบบหนึ่งแต่มันทำให้ทุกข์ แต่เมืว่าจะติดใจหรือขัดใจนี่ก็ไม่ดีกับใจทั้งนั้นนะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะต้องฝึกใจให้มันปล่อยให้มันวางบ้างไม่ใช่ยึดไม่ใช่ถือแต่พึดงต่พือบางทีต้องเรียนจากกายนะกายมันไม่ยอมแบกอะไรนานๆมันพร้อมจะปล่อยทุกทีทุกครั้งเมื่อมีโอกาส ถ้าใจเรามีนิสัยเหมือนกายนี่ดีนะชอบปล่อยชอบวางส่วนกายเนี่ยถ้าหากว่าเอานิสัยของใจมาเนี่ยคือชอบแบกหรือว่าไม่รังเกตยการแบกการถือกายก็แข็งแรงนะถ้ากายเนี่มันแบกหรือยกน้ำหนักบ่อยๆส่วนใจถ้าปล่อยถ้าวางมันก็จะมีกําลังวังชามันจะมี นะความป่วงโล่งเบาสบายมากขึ้นนี่ก็เป็นการดูแลกายและใจที่เรามองข้ามไม่ได้นะซึ่งมันก็ต้องอาศัยการภาวนาการภาวนาก็ช่วยทำให้ใจเนี่ยมันปล่อยวางได้เร็วขึ้นไม่แบกไม่ยึดตะพึ่ตะพื้นแล้วก็ทำให้ใจเนี่ยมันไม่เที่ยวทะเลทะไลนะมนรู้จักนิ่ง แต่ภาวนาก็ไม่พอนะเราก็ต้องฝึกกายให้ออกกำลังกายบ่อยๆนะนี่คือ เ, เรื่องธรรมม้านกันนะคือดูแลกายและใจอย่างถูกต้องแต่นอกจากการใช้กายและใจอย่างถูกต้องแล้วก็ดูแลกายและใจให้แข็งแรงให้มีพลานามัยให้มีสุขภาวะแล้วไอ้การรู้กายรู้ใจก็เป็นสิ่งสำคัญอีกเหมือนกันนะ จะมองข้ามไม่ได้รู้กายรู้ใจที่จริงการรู้กายรู้ใจมันไม่ต้องทำอะไรมากนะก็แค่สังเกตตอนนี้กายทําอะไรอยู่ตอนนี้ใจมันคิดอะไรอยู่มารู้สึกยังไงเราก็หันมานะสังเกตดูกายดูใจหรือถ้าจะให้ดีก็มาฝึกนะด้วยการเจริญสติ การจดริติหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการมารู้กายรู้ใจไม่ใช่รู้อย่างอื่นเลยเนะไม่เห็นกายและเห็นใจไม่ใช่เห็นแสงสีนะไม่ใช่เห็นนรกสวรรค์รู้กายรู้ใจเนี่ยเบื้องต้นคือว่ากายทำอะไรก็รูนะ้กายนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งกายเดินก็รู้ว่าเดิน กำลังกินข้าวอยู่ก็รู้ว่าเคียวข้าวอยูอ่มือถูตัวขณะที่อาบน้ำก็รู้นะถึงการเคลื่อนไหวไปมานะของมืออันนี้เรารู้กายรู้ใจก็ใจมันคิดนึกอะไรก็ถ้าว่าเป็นการเผลอคิดเผลอนึกาก็รู้ทันอย่างรวดเร็ว มันมีอารมณ์มรรตายเกิดขึ้นก็รู้นะว่ากำลังมีความหมุดหิดมีความรำคาญมีความดีใจมีความเสียใจมีประโยชน์มากเลยนะเพราะถ้าเรารู้กายเนี่ยมันก็ทำให้ใจเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านมากแต่ถ้าเกิดว่าใจมันจะฟุ้งมันจ ะ, ะเถลไถลไปไหนนการรู้ใจเนี่ย รู้ทันความคิดแล้วที่เกิดขึ้นก็ช่วยดำให้ใจนี้กลับมาเป็นปกติกลับมารู้เนื้อรู้ตัวได้อันนี้คือแบบฝึกหัดเบื้องต้นเลยนะสำหรับการเจริญสติหรือเป็นพื้นฐานนะของการเจริญวิปัสสนาเราไม่ต้องรู้อะไรมากไปนอกไปจากนะรู้กายรู้ใจ อันนี้พอรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกแล้วเนี่ยต่อไปมันก็จะมันก็จะเห็นนะเห็นความจริงของกายและใจอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรรู้เหมือนกันันทีแรกนี่เราก็มามาเห็นของจริงก่อนหรือมารู้ของจริงของจริงก็คือกายกับใจนี่แหละไอ้ที่เหลือมไม่ใช่ของจริงอนะ่ะเช่นแสงสีนะที่เป็นนิมิตบางคนนี่ บอกว่าเนี่ยปฏิบัติมาต้องนานยังไม่เห็นแสงสีเหมือนคนอื่นก็เลยมีเพื่อนก็ปฏิบัติไม่นานนี่ก็เห็นแสงเห็นสนะีเห็นนิมิตต่างๆรู้สึกผิดหวังนะอันนี้พระเขาไม่เข้าใจนะว่าเนี่ยไอ้ไอ้การเห็นเนี่ยในในพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่เป็นการภาวนานะยิ่งเป็นระดับวิปัสสนาด้ยแลนี่ไม่ได้เห็นอะไรเลยเห็นแต่ของจริง ของจริงคือกายกับใจส่วนนรกสวรรค์นิมิตต่างๆพวกนี้มันของไม่จริงนะมันเป็นสิ่งปรุงแต่งครานี้เห็นของจริงแล้วต่อไปก็จะเห็นความจริงนะเห็นความจริงของกายและใจนี้ว่าเนี่ยกายและใจมันก็ไม่เที่ยงนะนนถ้าเราสังเกตกายนี่มันก็ไม่เที่ยงเลยมันแปลเปลี่ยนอยู่เรื่อย ไม่ว่า น, นัง่งหรือนอนหรือในอยู่ในเอเรียบทใจเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะอยู่ในเอเรียบทนั้นได้นานๆมันก็แปรเปลี่ยนไปมีการเคลื่อนขยับไม่ต้องดูอื่นกายนะหายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกหายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเมืที่มันแปรเปลี่ยนไปไม่อยู่นิ่งนะต้องเคลื่อนขยับเนี่ย เพราะว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตรงนี้เ็าเรียกว่าทุกข์หรือว่าทุกขังที่จริงไม่ต้องรอรอนั่งในท่าใดท่าหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเห็นนะว่าสุดท้ายมันก็ต้องขยับไม่ว่าจะนั่งในท่าที่สบายแค่ไหนจะนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิหรือนั่งปล่อยขาสุดท้ายก็ต้องขยับ บางทีจะนั่งเป็นพิงฝาวเอาพิงเสาสบายเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นนอนแต่ว่ามันก็สบายชั่วคราวถึงเวลานอนก็ต้องอดไม่ได้ที่ต้องพลิกตัวไปพลิกตัวมาอาชีพพลิกพ่ออะไรนะอาชีพพลิกพาะว่ามันปวดมันเมื่อยอาการพลิกเนี่ยจะเรียกว่าเป็นความความไม่เที่ยงกันได้นะ มันแสดงในความไม่เที่ยงของกายและที่ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันมันมีทุกข์ทุกข์มาบีบคั้นที่ทำให้ต้องขยับขยื่นเปลี่ยนอิริยาบถแต่เราไม่ต้องรอนะให้ขยับขยื่นถึงจะเห็นว่ามันเป็นเพราะมีทุกข์เนี่ยมาบังคับให้ต้องแปรเปลี่ยนจนเกิดเป็นอ น, นิจจัง มันใช้เวลามันทีมันใช้เวลาเร็วกันนั้นเราก็รู้ได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นกับพิพตาเนี่ยถ้าเราไม่กับพิพตาเนี่ยเราลองไม่กับพิพตาสัก5นาทีนี่จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่กับพิพตาสักสนาทีนี่จะเกิดอะไรขึ้นจะรู้สึกเมื่อยทันทีเลยแต่ทําไมเราไม่รู้สึกเมื่อยนะก็เพราะเรากับพิพตาเนกับพิพตานี่ก็เป็นการผ่อนคลายนะ ความทุกข์และที่กับพิภตาเพราะว่ามีความทุกข์มาบังคับนะมาบีบคั้นให้ต้องกับพิภตาบ่อยอันนี้เรียกว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือว่าเป็นทุกข์ทุกข์ก็ทำให้เกิดความแปรเปลี่ยนมีการยืยอนขยับในท า, าพิจารณาสังเกต ด, ดูกายมันจะเห็นเลยนะว่าเออกายนี่มันก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์นะ มันมีแต่ไม่ว่าอยู่ตรงไหนทาอะไรมันก็มีทุกข์นะเกิดขึ้นตามมาแต่ว่าเราไม่สังเกตนะเพราะว่าเราเปลี่ยนอิรียบทเรากระพริบตานะเราเคยเื่อนขยับจึงไม่เห็นทุกข์บางทีการภาวนาเนี่ยในบางบางแห่งบางที่บางวิธีการเนี่ยเขาก็จะให้อยู่ในท่า น, นั้นในนาน เพื่อจะได้เห็นทุกข์นะ้นอจได้รู้นหะทุกข์นี่มันเป็นสิ่งที่อยู่ประจาสังขารเป็นสิ่งที่อยู่กับกายของเราเขาจึงเรียกว่ากายนี้คือกองทุกข์นะแต่ไม่ใช่แค่กายนะใจก็เหมือนกันนะใจเนี่ยไอ้ทุกข์ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้แปลไม่ได้หมายถึงอารมณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจเช่นความโกรธความหงุดหงิดความรังเกียจ ความาพยาบาทเท่านั้นนะแม้แต่อารมณ์ที่เรายินดีเนี่ยเช่นความสุขโดยเพราะสุขจากการที่ได้เสพได้ฟังเพลงบ้างได้กินของอร่อยบ้างไอ้ตัวความสุขเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะหรือสุดท้ายมันก็ค่อยๆเสื่อม อย่างเรากินอะไรที่อร่อยเนี่ยครั้งแรกก็อร่อยนะแต่ถ้ากินบ่อยๆกินบ่อยๆเสดบ่อยๆเนี่ยความอร่อยเนี่ยมันก็ค่อยๆกลายสภาพกลายเป็นความเบื่อของอร่อยถ้ากินบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะไอความสุขนะมันก็ค่อยๆกลายสภาพกลายเป็นความเบื่อและสุดท้ายก็กลายจะกอาจจะเป็นความ ความรังเกียจเลยทีเดียวกินของอร่อยทุกมือทุกมือนี่มันก็อร่อยประเดี๋ยวประดานะแต่ตอนหลําก็เริ่มเบือ่อแล้วตอนหลังถ้ากินอีกกินอีกก็เริ่มเอียนกินต่อไปบางทีอาจจะถึงกับอาจเจียนเลยไอ้ความสุขเนี่ยหรือความรอร่อยความพอใจเนี่ยมันก็มันไม่ใช่แค่ไม่เที่ยงเดียมันเป็นทุกข์ด้วยนะ เพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเสื่อมไปมันแปลสภาพไปกลายเป็นความเบื่อกลายเป็นความเอียนถ้าเราสังเกตดูนะนะไม่ว่าเราจะยินดีหรือสุขเพราะอะไรตอนที่ได้โชคได้ลาบมาได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ก็โอ้ยดีใจได้เสื้อผ้าตัวใหม่ก็ดีใจไม่ว่าซื้อมาหรือคนให้มาแต่ดูๆไปนะ ผ่านไปวันสองวันหรืออาทิตย์หนึ่งไอ้ความดีใจมันค่อยๆเรือนหายไปกลายเป็นความเฉยๆและต่อไปก็จะเป็นความเบื่อนะอยากได้ตัวใหม่อยากได้เครื่องใหม่แล้วอันนี้ก็คือทุกขังนะ น, นะอารมณ์หรือจิตนี่มันก็เป็นตัวทุกข์เหมือนกันไม่ว่าอารมณ์ใดนะ แม้แต่อารมณ์ที่น่ายินดีมันก็ทนอยู่สภาพเดิมม่ไเรียกว่าทนได้ยากอันนี้คือความหมายของทุกข์ถ้าเราดูต่อไปเนี่ยเก็จะเห็นได้ว่าโอ้กายและใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรานะไอ้กายและใจนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยถ้าเราแก่ ด, ดูัสั่งไม่ได้นะกายก็สั่งไม่ได้ให้มันหายปวดหายเมื่อยใจก็เหมือนกัน สั่งให้มันหยุดคิดก็สั่งไม่ได้สั่งให้มันเพื่อเพื่อนดีๆไม่เหงาก็สั่งไม่ได้แล้วต่อไปถ้าเรามีสติเห็นมันก็จะเห็นเลยนะเออกายทำอะไรนี่มันก็มันก็เป็นรูปที่ทำไม่ใช่เราทำกายเดินไม่ใช่เราเดินใจมันคิดมันไม่ใช่เราคิดความคิดก็ไม่ใช่เราความกลัวก็ไม่ใช่เรานั้นถ้าเรามีสติม็จะเห็นเลยนะอ กายและใจไม่ใช่เรานะตรงนี้แหละคือความจริงของกายและใจนะที่เราควรจะรู้จักและมาช่วยทำให้เราเกี่ยวข้องนะกับกายและใจได้อย่างถูกต้องไม่ตกเป็นธาตุนะของกายและใจหรือว่าไม่ตกเป็นทุกข์ไม่ถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายและใจคือกายทุกข์มันไม่ใช่เราทุกข์นะ เช่นเดียวกันใจทุกข์ก็ไม่ใช่เราทุกข์ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อก็ไม่ใช่เราโกรธนันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะในขั้นที่ลึกลงไปหรือขั้นที่สูงขึ้นไปนะรู้กายรู้ใจเรมต้องรู้ถึงความจริงของกายและใจมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าใช้กายและใจให้ถูกต้องอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่ดูแลกายและใจให้ดี ทั้งหมดที่มันต้องทำคู่คู่ไปกับการที่รู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงของกายและใจจึงจะใช้กายและใจถูกต้องจึงจะเรียกว่าดูแลกายและใจนะยังเหมาะสมการปฏิการปฏิบัติธรรมก็หลักลาก็มีเท่านี้แหละนะที่เหลือก็เป็นการขยายความนะเพื่อทำให้นะเกิด ความเข้าใจที่ลึกซึ้งหรือการรู้กายและใจที่ลึกซึ้งจนกระทั่งไม่ติดยึดในกายและใจนี้แล้วก็สามารถที่เป็นอิสระจากความทุกข์ที่เกิดกับกายและใจได้